อนัตตาธรรมทีมโหมีเวนอนัตตาธรรมทีมโหมีไพ่อัอนัตตาธรรมทีมโหมีสัตตูมันก็พี่แกนาได้คือกันพุทโธโมนี่พี่แกนาลงถึงอนัตตาได้คือกันอนัตตาขุนที่ประเกิดป่ะดับอนัตตาขุนที่โหมีประมาณแม่ถึงจะพี่แกนาลงถึงผู้หลูกก็ตามแปลว่าผู้หลูกมีประมานผู้เห็นกับ่มีประมาณถ้าโมกไปว่าสงไหลสิ่งผู้หูกสังโคไปลว่าวัดผู้หูกก็ตาม แต่กบโมมีประมาณถึงสิยนแล้ว่าเป็นหนึ่งกับหนึ่งไงคือแผ่นดินนะสองแสนสี่0มื0นโยดนคนรองวชัดมันกัดสิ่งควบทวงใส่เจอกรรมฐานได้กบมาคัดของได้สมอเลยไม่ได้คัดข้านกรรมฐานเดียวนี่ดึงให้กันได้เมดกรบมาฐานเช่นทาพิกะพิชณาการยขจาสติของขนเรียบฟันอย่างเนกัน ดึงใช้พุทธโธก็ได้ถือกันก็เพราะพระพุทธเจ้ามาสอนใน ห, ห้าวพระมานะนี่ก็เพราะเป็นถ้ำอันนึงเนี่ยมันพระถ้ำเพราะพระสงฆ์กับปฏิบัติทังสัตวเนี่ยพระถ้ำสงฆ์ของเก่าหันะพื่าหน้าผมขนเล็บฟันนี่ก็ได้ขันผู้จธจตังแต่สิมีกัมมัดนะฮักหุบสวยหุบง่ามก็ต้องสังเกตจากของไหมอันไหนมันแลบมาก่อนมันฮักสวยฮักง่าม มันหักพุญาพุยิ่งหมกกอนมันต้องมีอันใดกอนมูมไหยมันไมีอืันใดออกหนามไหมขามันมักกระทบกระเทือนในทังกาหมาล่มร้ายก้อนสุเนาสิห้องกระพี้แกน้าอสุภะสินี้จะหันวะได้อันใดไม่เป็นปฏิกุลในสกุน้ร่างกายต้องจับอยู่หันล่ะร่วมมืร่วมกสร้างเป็นผมเห็นคนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหางกระดูกเดินอยกมือไปไเห็นหางกระดูกจังไงย่างไงย่างไงย่างไงปรากฏที่แหลกอนุมานเอา นั่นมานันมามากระยูท่อนล่ะมันหนีไปแล้มันโบยู่มันโบยู่กับโบจักเามันเข้าของจกเมันโบยู่อยู่เข้าก็ดึงม้าขึ้ง้อคือควายนะนั่นมันผูกโบยู่เว้ยสันผูกบยู่เขากบงจักก็ห้อยดั่งมันผูกม้าเากับฟันเสือกเส็นใยตนนั้นคือกัดโบยู่เามาเข้าองจักมันบย่อยู่คนหงจักเขาเ้ามานาโบยู่นั่นมันเป็นคนมีสติเลยหงจักว่ามันยูมันบยู่กับโบหงจักนั่นแหละมันม่มีสติอ่ะ เล่บ่ได้ควบมันมันบัยอยู่ห้องของยักษ์อยูอ่เขาก็พยายามออกบ่เหลือวิสัยเขามีสิทธิ์ที่พยายามอยู่แต่เขาพยายามทำควมซัวเขายังพยายามทําไดเขาสิมีสิทธิ์พยายามควมดีทําบ่ได้สิว่าเขามีปัญญาจังใดวางฉนาันคนเขามันใจถึงคนใจถึงทางซัวไหมพเนจรับผลบ่ดีใจถึงทั้งดีมันพได้รับผลดีพวกใจถึงทางจับ่านไฟฝ่มันก็ะหอดนอี่วางไลยพวกเขาไปจีบไปป่วนเขาก็ใจถึงคือกันะ แดี๋ยวผลทำว่าว่ผลเขาตัดข้อเลยรหรอสีอ่างเอาใจถึงมันใจถึงกุ้คนอ่ะผู้ใจถึงทั้งดีมันก็ได้ดีผู้ใจถึงทั้งสวมกระเดี่วแม้วันเขียวก็ใจถึงทั้งกินขี่แม้วูแมงเพิงใจถึงทั้งกินเกสรดอกไม้ปวกกัใจถึงทั้งกัดใหม่สีว่ายังไงฮะเนี่ยใสเดือนกับใจถึงทั้งกินชีรินแม้วูแมงเพิง ใจเถื่อนนั่กินเกสรดอกไม้เข้ามาห ว, วังเพิ่งใก่เข้ามาห่อสีหวังพึงหยั่งอัตถีอั ต, อตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตอนก็ใจน่ะเป็นที่พึงของใจเฮ็ดอันใดไหวก็มันใจแล้วเป็นผู้พึงที่พึงสิปฏิเศธกับบไร่เฮ็ดดีก็มันใจเป็นที่เพิงเฮ็ดซัวก็มันใจเป็นที่เพิงเฮ็ดดีตอนไหมันเฮ็ดดีฮะนี่ เข้าไปนึกเข็นมันก็บรเดือดร้อนมันก็ได้นพึ่งอันบรเดือดร้อนนี่ข้าเทาเฮ็ดบ่ดีเขานึกบ่ดีคิดบ่ดีป้อนอาหารบ่ดีเดือดร้อนใจนใจไปกินอาหารว่ามีกรเว้นขึ้นเนี่ยแหน่อะไรดีก็จะเอาไปป้อนมันหบอแน่บ่ดีจะเอาไปป้อนมันแต่ว่าตัวีปัญญาเอออันควบนึกควบคิดท้องเข้าเขาไม่ได้ซื้อไในหามีแหน่แล้วมันบ่เป็นเสียนน้าบ่เป็นเครื่องหอบใจเขาก็เอามานึกระเบ้อ เนี่ยเดี๋ยวเป็นเครื่องห่อนใจเขาจะเอามานึ้อกระบะมีการทดสอบอยู่เพระพุทธศาสนาสิ่งไหนที่นึกขึ้นมาแล้วคิดขึ้นมาแล้วมันเดือดห่อนซึ่งนั้นจะเป็นนึกไปคิดเลยสิ่งไหนที่มันนึกมันคิดขึ้นมาแล้วมันเป็นที่สบายซิ่งนั้นจงนึกจงคิดเรื่อยๆเถิดซึ่งไหที่ทำํำโดยกายที่มีกายเขาสวยมีวาจาเขาสวยซิ่งนั้นมันเดือดห้อนทําแล้วซิ่งนั้นก็บ่กครทําอีก เพาใจเป็นน่ายทุนในใจเป็นผู้หหนาใจเป็นน่ายกเล่สีเดียวใส่แล้วขวก็มันใจผ้าเรียวเน้เสียไปทั้ทงหนีทั้งซัือเขาันใจผ้าเรียวผลได้รับกับยุกับใจมันันน้อย่อื่นท่านบุญก็ท่นบุญหายใจท่านบาปก็บท่บาปหายใจนั่งก็นั่งหาใจ น, านั่งก็นั่งหาเป็นนอนก็นอนหนนายใจญญ น, นันน่ญญานางนนกงญญน็นัง่งหายใจนั่งก็นั่งหายใจนั่งก็นั่งหายใจฟังก็ฟั่งห้ใจ ฟั่งเทศก็ฟั่งใจกันเดียวกันปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติใจกันเดียวกันปฏิบัติศีลก็ปฏิบัติใจกันเดียวกันละเมิดศีลก็ละเมิดใจกันเดียวกันบอสัต์ผู้รีเห็นัยในวัาสงสารก็ขึ้นใจผู้ศรีเห็นเพื่อนในวัาสงสารก็ขึ้ใจผู้ศรีหลงวัสงสารก็ขใจผู้ศบ่หลงวัาสงสารก็ขึใจ ว่าตาสงขารบนน่ะมาลงใจก่กับไปเที่ยวหลงเขาไปเที่ยวกี๋เที่ยวปน่นใครจะไปกี๋ไปป่นท้อใจคิดตาสังขารไปเที่ยวกี๋เที่ยวปน่นเมื่อไรสมประสงค์อยู่โตกัติดอยู่เมื่อไรสมปรสมะสงค์โตกับเดือดห่อนโต อ, อมีดโตบาดมือโตโ ต, โตกินปูนโต อ, ออกพอรอนท่อพราะยาคิดตลาดและเป็นสัตว์ได้คะเนี่ยมันต้อโค้มาหนี่ได้บาดนี่เมื่อนหรโตทำดีโตก็ได้รับผลดีที่โตมาเพิงโตจะไปเพิงไคร ไม่ยายที่ตลาดเพิงหูเพิงตาเพิงจมูกเพิ่งลิ้นเพิงกายมันก็จะแตกสลายนีน้เลยฮ่ะเนี่ย เ, เพิงกระของเส็แล้วบาทพระทองกระตัวลูกเกยกระตัวแหละทํายนลงหาอันเดียวเนี่นี่พระไตเป็นพระไตเป็นรถยนลงหาใจบาทมักแปลขยนล่องหาใจบาด ที่ปักขี ya ท่อมยนลงหาใจบวชยนลงงดเกิดแบบว่าสังข์ข้าโหสังคา้านยนลงถึงใกลให้เขานับเ็ินเม็นทรายเดี๋ยวนี้เขาก็นับได้อยู่เขามีกิเลสอยู่สิให้เงานับเม็ดหินเม็ดทรายเขาใหน้นับเปงนไงสันบนับเป็นภาษาบาลีนึ่งดินหรือว่าสันแล้วนับเป็นน้ำนาี่เม็ดฝนนี่นึ่งน้ำว่าสันแล้ว นับไฟในนับควมอบอุ่นเลหนึ่งไฟก็ว่าฉันแล้วนับลมเลยหนึ่งลมกขาว่าอะไรพัดยุไซก็นับได้หมือนฝนตกยใไซก็นับได้หมดนหนึงนน่งฝนหนึ่งหนึ่งน้ำมริฮิเม่มาในเทวมหาสมมุตินับได้หมือนนับไฟสังขงโหัวดิภาษาลิวุตเพื่อนก็ น, นับจังชัดอ๋อผู้ขาสินค้ให้ฟังเน้อ ว, ว่าสันต่ตัวมานเป็นกรรมการไหมสันไฟจะไฟจะเป็นบ้า ผู้นับก็บเป็นพี่บากครมาการผู้มาฟังก็เป็นพี่บาเขื่อร้อยปีมันสียเมดบอกเม็ดยิ้เม็ดไมสมหาสมุทรหนึง่งร้อยปีสินับเมดบอกบอกองสัเพ์่นก็นับสังข์หัวคนนับยนตลงมากคือเข่าเนี้ยที่ไหนก็นยายฟ้อนโยธงพุน่นเหมือนมาร่วมอยู่เล่าเลยเท่านี้เกียนเท่านี้เกียนเพราะว่า เรรวมอยู่เราเขาว่าเล่านึ่งมาสัักหองสามหองสององเพราะว่าเนี่ยกรอาวานออกก็ออกจากเรา่ะมันก็ออกมาจากฮันการขนเขาคนเขา่เขาฮันละของภายนออกสำหแต่ บ, บ่ น, นี่ก็ได้คือเสือ้อฮะนะเอาขึงไปกึกลไ้ไสัน่นหอบไตรสชาติผมว่าสันาสาา่นประธานสาวมาก็มันเสื้อเสื้อเก่าละโขงบางไงได้ลรืบเนียถ่วหวัวถั่วฝาถ่วหมกหมดละยยดลงมากกับไงสาวออกไปกไงมาั่น เ่าหลายขวมันั้งีด้นมันก็ออกมาจากขั้มหนึ่งหันตัวเ่านับสินับถึงคลิปได้ก็ตั้งลักหนึ่งสะกกันห่าสินับถึงล้านถึงโกรธถึงตืติวเียวติวก็ตามนับเจนึง่อไปหาวย่นลงมากก็ย่นลงมหาหนึ่งฮนตายนี่มันสิตายหลายตายอดีตตายอนาคตตายปัจจุบันก็ตามก็นึตายท่านนี้ทุกททุกในอดีตทุกอนาคตทุกปัจจุบันก็ตามก็นหนึ่งทุกท่านนี่ ศาสตรที่มีเท่าไรศาตร์พันศานสตแสนชาสตก็สา้สางหนึ่งสาสตรเท่านั้นหนึ่งชาติาที่พิทุขาเท่านั้นเนี่ยคำว่สารรบบสันกับว่าสิ่งควมสงสัยแล้วแต่ท่าน็กสิดบกพระตพรไตรปิฎกไปเล็กเดแบเบกพระไตรปิฎกนอกนังหอยู่นี่นนพระไตรปิฎกคนว่าเป็นสามกับสามคนว่าเป็นสามว่ายอย่างไรว่ากายในหะ้นว่าว่าจาน้ว่าใจนะแต่ที่เว้นใจเพไเพใจเป็นขหนาเนี่ย รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นหานนวิญญาณก็แปลว่าใส่แท่นใจกว่าใจซะตาหูจมูกเรียนกายใจขันว่าเป็นหกก็ไม่มมเอาใจของเขานะเพราะใจเป็นหัวหนาเนี่ยธาตุที่แปดอินทรีย์สองธาตุที่แปดจักหูธาตุสตตาข้านาชืวหักกายามโนจักหูธาตุลูกปลาธาตุจักหูวิญญาณธาตุธาตุแปดก็มีมโนธาตุเป็นหัวหน่านี่คร สิ้นซียี่สกับยีมานิ่ีสเป็นหัวหน้านี่ะนี่ตคีโตินนินชินกายินมานินอิทินโิสิณชีวิตินสุกินทุกินโมานสินโทมานสินอเปินสัินเวทยินสัตินสมาธินปัญญินอนัญญาตัญญาสามิรียังอัยินทรียงอัญญาาวินทเรียงจตาิอยสัจจานอัยสัจจธรรมทุกครังอยสัจจ์ทุกก็เกิดขึ้นนี้ทุกขสมุทโยอัลยสัจจ์เหตุแต่เกิดทุกก็ทุกขึ้นนี้ ทุกคนิโรธาข้าม่ินี่ปฏิปทาอริยสัจจังปฏิบัติกับปฏิบัตินี่ควบเกาหะล่ะอ๋ันยลดลงไปหนึ่งทุกที่เกิดเกิดเกิดขึ้นใจเนี่ยอ๋ันสีปฏิบัติกับปฏิบัติใจเนี่ยขันสีรุดพ้นกับรุดพ้นจากใจเนี่ยทุกทั้งรลายก็นะบอกสั่นยดลงไปหนึ่งวันทุกครั้งอนิยสัจจังก็เกิดเคลื่นใจนี่ทุกขัสมุทยโยกเกิดเคลนใจนี่ทุกครั้นนิโรธาข้ามอนนี่ปฏิปทาอนิยสัจจังกับปฏิบัติใจเป็นทางปฏิบัติ พวกเก่าหาล่ล่ะยุ้องเป็นนึ่งกวันเอาผมขนในฟันน้ำเลื่อนกระดูกเยี่อในกระดูกมาบหัวใจตับฟังผืดไตปอดใส่ไส่น่อยอาหารไม่อาหารเกา่าเราจะต้องเป็นถ่าดินนึ่งดิ น, น, ด, นดีทะเลนเลือดดีทเลทน้องเลือดน้ำมันขนเรีมันน้ำตาน้ำไรยน้ำมูกน้ำไข้ขอน้ำมู เงือมันคนนี่สเสลตเงอืองวงเลือดเงือบมันคนน้าตาไปมานนําลายน้ํามูกน้าไข้ข้อน้ํามูดจัดลงหนึ่งน้ำน่ะไฟที่ยังกายให้ออกปูนไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เปออาหารทย่อยจัดลงหนึ่งไฟลมที่พัดขึ้นบางบนลมพัดลงบังต่ำลมในท่องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกหนึ่งไฟนี่ก็ ก, กองดินนี่ก็กองน้ํานี่ก็กองไฟนี่ก็กองลม พญาคิคตลาดดิ่กากนี่ไปหาสถาบุคคลมาเห็นแลา่าวบันคือกุฏิวิหาระมากออกแล้วตรงกับม้ามาพูดซะขางกัมาามาพูดซะคือใช้กมาเพราะะนั้มุ่งกัมาก้าแลแย้กับมาา้าซะซื้อกุฏิว่ามีลรบาดนี่พมากออกแล้ว เขามาลงโลกเ่รามันโลกลงเข้าเข้ามาลงกายเ่รามันกายลงเข้าเข้ามาลงของป่วยของเน า, ว, เน ว, งงาว่าเป็นของสวยของงามเพรมันของเป่วยของเนามาลงเข้าเมืนนมม่อนึงมาถามสมุตสาข้อนไปงานศพงานทันทีล่ะเข้ามาเป็นปุ่มมัวมาโมหนึ่ง ว่ามือหนึ่งเพิกแตงว่านาครมาถามหามาถามหาเสียงเมียงหลวงปู่ล่าอยู่ที่ไหนน้องมาสั่นพนวาเขานังอยู่กุศอันนี้แหละตัวเสียงเมียงว่าท่นเลยถูกว่ได้เอาบัตรตัวเฉลิมเนยมา่มาถามธรรมะปฏิปายเลยให้เงิน่วนตัวพันหนึ่งพันหนึ่งครับรยเก้าบาท ร้อยเข่าซิปเนี่ยเฮาเขาเลยเอาเขาใส่ศพผ่นานเขาบอเอามาพวกนี้ใส่เข่างุกร้อยพวกสมมติสาคอเฮาเขาบอเอามาเฮาเอาเข่าศพผ่าขาบอเอามาชักต่างเฮาบอกให้พาให้เนีน่ยเอามาชักต่างใส่ศพจันทีละพ า, าเอาไปเถอะพี่พาเอาไปเถอพี่มเศ้าไกลมันตัวเงืนชีหาพั 5, น เราอะไรไม่ใช้พวกเจาะกระบอกสอะกระวางตัวเบาเบาเบากับโยมหอกมีธุระมาทางไหนตัวว่าไปแรรไปพร่โย ม, ย ม, ยมจะเทะ่องินปีนึงมีเงินสามสิบาทเขามาแพร่วว น, นิสัยตัองเป็นทุกสัาจะมา่ยพัดได้มาแพร่โรงพยาบาลที่ถูดดช่ได้หลายปีเยลยหเ้มันอยู่ในว่าเท่านี้มีสามสิบาทเลยอ่ะใคเจ้าจไปซะเงินไปบอกกับหาญโ ย, าายมชุมไก่ยยอยากอายข้าจ เือม็นึง่งเคกินน้เขาเจ้าอยู่นี่แล้วเจกระบอกซอกกเขายัางเพาไปได้ประเด็นผมมาด้วุ่นในรัฐบานกั บ, บ, ากบาเาะหย่านมแเฮียนทนนี้แพ้เฮียนทนนี้เข้ามาเฮ็ดเถือ่อนสายเห่านหนังสัตนคนทุกๆคนห่างๆมีนี่เขามาในวเท่ากั่าสารของเสียของตัวโอ้ยพระคิดทุกผู้นี่พ่อกูเข้าไปนี่สิขออีหยังกูนา อ, อย่านเขาขึา้นว่ากับว่านั จักเขาึ้นหรือว่าคืดบุ้งสารของเี่จะคล้องแล้วอัมันเป็น น, นักสันนิษฐาเห่าเขาทางมีไม่มากเลเข้ามาในวันเทาฮอตบเบอเร่องก่ะสางเขาปรถามหาบหอกกรเบอข้ขาวเอาเคจะเข้าหาอบบทโจกกระเป๋าเขาเขาประทับอกกระบอเขบบาบอกเป็ น, นอื่นผลนิจใจเหามันเป็นนันเลยแม้รุ่นี้เราจนออกปากคือเรามาเห็นนี่ มาทอดกระถินก็นมาครั้งหนึ่งแล้วมาทอดผ้าป่าก็มาร้ า, า, ายครั้งแล้วไม่เห็นหลวงปู่เอ่ยให้ช่วยอะไรเลยหลวงปู่ใจหนักเหลือเกินหลวงปู่ไม่เอ่ยเมื่อลุงปู่ไม่เอ่ยที่ฉันก็พอใจจะทําี่ฉันไม่ชอบพระเอ่ยเหมัอนฮาเชว์บอกตอนนี้ไปจะประวรน า, นาเป็นลูกของหลวงปู่ทั้งสองพี่น้องหน่อยขอให้หลวงปู่บอก ลุงปู่ไม่มีวิธีที่จะบอกหรอกเพราะเอามาให้เนมันเหลือแล้วไม่นึกว่าวาดสนะของหลวงปู่จะมีผู้ช่วยถึงขนาดนี้หรอกว่าลุงปู่ไม่มีคําที่จะพูดหรอกแต่ลุงปู่อดกว่านี้หลวงปู่ก็ยังไม่ขอใครนะครับอันนี้มันพอแล้วเมืองพอมีแล้วหลวงปู่เออถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของพวกลูกๆเอานี่เราสลาับด้วยลุเคงเขาคอ ย, ยงได้ใหญ่ เราต้อคอยแลยเราสลาดดูใช่เขาก็มาใส่ปัญหาคือกัหนั่งนึงไปเล่นญ้าเอกโอเปรินญาโท่ยุ่ทั้งระเอ็ดนี่หลวงปู่ทำไมท่านอาการสศีท่านสร้างมากเทมันหมดหลายหลายล้านวัดพระน้ำย้อย วัดป่า ก, กุ้งและสาขาของท่านก็นตั้งห้าส่บหกสิบถ้าจะนับมันก็เป็นร้อยรอยรอย้อยล้านเดี๋ยวกมาอย่อ า, างนี้ น, น, นี่ว่าใช่คือเดี๋ยพับหลุดเนาเออถ้าสําคัญอาเป็นของหลวงปู่ศรีความขีดถึงมันก็มีออถ้าสําคัญว่าจะมีน้อยมีมากก็เป็นของพระพุทธศาสนามันก็หมดเรื่องพระบรมศาสดาเขาบอกแล้วว่าสมบัติในใจโลกธาตุแม้จะไม่เท่าสมบัติพระพุทธศาสนาดอก สมบัติภายนอกก็ดีภายในก็ดีสมบัติธรรมะก็ดีสมบัติอามิรคก็ดีไม่เท่าพระพุทธศาสนาดอกพระบระมศาสนายื น, นยันแล้วแค่พิเศษยิ่งยำเงีบจังมั้ถ้าพูดอย่างนี้ดีฉันก็หมดสงสยยัยแล้วว่าฉั น, น <c oughs> มันจะเพียงโทษหลวงปูศ่ศรีฮะว่าหลวงปู่ศีสั่งลายวันถ้ามัาแวะไปหันซ่า่ว่าความจิงมากรเป็นทักษะนี้หรืได้ลรือัพย์เนี่ยแต่โลกาถานมันของ พ, พระพุทธพระธรรมพระสงค์หมดล เพิ่นค่ายแหละเพิ่นเห็นมันโมหมันบเทียงามีเต้มือเ่าเล่เป็นมือนอนมาหยาดจกตากันอยู่นี่หนักแบบเออจกตากันอยู่นี่ปู่แต่หน้อยมึงไร้ปู่มีระมึงโมมีระอยู่นี่แล้วไปแทะมันขี่นํร่ายค่ายขี่มุกพระอเนียะเจ้าทั้งหลายเพิ่นเขาสูพิ่พาไปแหละเเพิ่นเห็นมันโมมันบเทียงเพิ่นอาศัยขีไก่เห็นห คือพักกันละ่ะอาศัยขีไก่สกามันจะ ง, ง่ามเพื่อนก็มาอาศัยปัจจัยซีในโลกนี่แะก็เพื่นสิปฏิบัติเพืกก่นทุกข์ก็ได้เหือนห้านั้นเพื่นในธรร ม, มาะแล้เพั่นค่ายที่นีฮค่ะเนี่ยอุ้มมาคือคี้เหือ่อคำฟากอันคำไปแล้วลทิมงทั้งเหืออ่อผมมาขี้เก๊าบขึ้นมาอีกของมันทุกขีมาให้ยังอุ้มากคือบือนจากล้มหมุดล้มกูืนขึ้นไปแล้วสิลงมาซองมงเห็นยัง คือลองค้นมาพวกไปสวรรค์สมวเห็นมาบอกแลว้วสันโยเขากินเขาก็ป่าคอใหญ่ตัวใหญ่เขาไปเที่ยวเอื้นบ้านผมมากินมาด้วยมาด้วยที่ว่าสันบอเป็นบ้าบ่พวกเขาไปมลรรกเขาบมวิชยเห็นมาบอกว่าสันเขาสิ่ว่าอย่งไรผู้มิติศโทษมาน้ามากกันพวกทิติศโทษมากกับมากไไหนอุปมาคือโทษประหารชีวิตยังไงเขาก็หามเยี่ยมเนี่ย อ่ามอให้พี่น้องออกไปสังสรรค์พวกที่มาหาอานาจฮายโยมได้หาพี่ฮาน้องได้พวกเพศสัมภเวสีได้มาปรากฏในนิมิตอันนมาปรากฏในนิมิตอันนี่นาานอ่านนขัตตวานสะสังขังขลังพระพุเตอา น, นาปานิมิตรมันมีอยู่ในติโรกุเทศทศุทธิท์พี่น้องจังได้อุทิศอุทิผลบุญหาน่ะตายแต่ขังพระเจ้าพุทธะพวกนี่กินข้องสงมาสัตว์แล้เป็นเพศ เลยตายไปตกมลหกเหลือออกจากมลหกมากเลยแล้วมาเป็นเพจด้วยแต่ขังพระเจ้าพุทธะผลวัสสพระเจ้าพิมพิสารถวายวัดปา่าเวรุวันเล้วบริพิกิจพิคไก่ถึงเพจสุ่มนั่นเพจสุมนั่นเลยมาเขือเนคว่มฟันกับปานั่นแล้วมาปรากฏนเนี่ยเฮือกเ น, นี่ยซานกับปานั่นเลยไปกราบทุ่นพระองค์เจ้าพระเจ้าพิมพิสาร ส่วนพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าว่าเออพิคิดพี่ไก่อุทิศหาเขาได้หรือบอก่าทำบุญเพราะฉะั้นห้องอุทิศหาเขามันบนิเมื่ดได้บุญเฮาราะฉันมันแห้งได้หลายเพราะฉะันมันยิ่งได้มากเพาะฉะนั้าตเมื่อดบุญยุบุกอุทิศหาสรั์ทั้งหลายมันก็ได้บุญแล้วพมหาบ่พิชได้เพาันเพื่อ็เลยทำบุญอุทิศหาเพียรสนก็ได้รับรับอานสงูงมูอเฮากระจายเลยนิยมกันถึงได้นาศพัน เผาแล้วหลดบกมาซาเข้าเผาแล้วตัวเห็ดบุญมันแห้งสนุกเข็ดนอกจากเข็ดหนังมันจังบวออังตัวทั้งบ้านผมผุ่นสมัยผมอยูน่นคนตายเขาไม่ยอมไปกินเขาเฮือนหอกเขาขี้เดียดคนมาได้ทา้งไก่ก็ระไรคนมาได้ทา้งไก่เองสิสมมุติว่าตายจังมันแวงมันเป่ามันพูมา้าพี่น้องนี่ทั้งผนเขาไปหากินเฮือนผู้อื่น ผ, ผล เขาบอกเปร้หากิ่นก้อนตายหรอกสมือนี่เป็นคือกันเมื่อตัแต่คนใจขาดกันสักเสียงว่วของห อ, งอกอกหลดสมือชุดเท่ายัางอยู่มาเปลนนเนโอ้แ ป, ปลกปล้วยแท้สมือพวกไปเอาฟื้นสป้าสินเขาก็เอายาไปแอบดึงซะหล้วเขาเอาฟืน้นป้องเปีปงปเปียงแล้วเขาก็ไปทางอื่นผมมีชั้ท่าขึ้นมาหามัอีก ไม่ได้ขึ้นมาวุ่นกินเขาน้กนา ก, กัาเนี่ยตะกี้พุ่นมือแจ้เข่าพุ่นจังเราพี่เราหน่องมาจังมันมือกินดอกเมืง อ, อันนู้ไปไปป้านี่เขาไม่อยากกินซับเขาขีา้เดียบมันเป็นทั้งสั่นเรื่องมันเขาไปหากินเหิอนอื่นผลคนมาทางไก่คนอยู่บานไก่เขากินเหินไผ่เหินมันแล้วมาซอยกันดีแตได้หลอเมื่อเดียวนี้ไม่ได้เป็นทั้งสั่นเลย ออกลูกก็เื้อไปเฝ้าเก็บทองออกลูกเสื้อไปเขาไปเฝ้าเอาเหล่ามาซุ้มกันหวังโอ้จะเขาเงี้ยมาจะใช้สูบเอาไหวมเขามาบอกให้ฟังเรห้าวเราก็ออ้อนเสมอในวันคนป่วยเองที่สู้เหล่ากันใ้ทื่อทื่อทื่อจุสมัยเสมอพวกจิ๊กโกพวกหุ่นไรอร้านหุ่นเลนนี่มันอุ๊กเป็นตะตับอุกตับกต๊บอุก๊กไตยอยู่นี่ โอ้มันก็ิ้หายตายและเห็นนี่ยิหายทั้งศีนทั้งท้ำคิดท้ายทั้งชัพทั้งศีนเลยไม่จะเลิญตั้งกี้บอแล้วว่ได้เปลีนเฮ้ยพอเขามาเปลีนใหม่ได้คือบักวิ้น่ะบักน้อยมึงไปหาหลวงพ่อไอ้มึง ไปถามวีซ่าซองโบกเรด้อวาสันกูเลนโบกเลยได้เสียวาสันหลงพอสีได้วีซ่าซองโบกซองเลขเลยวาสันบัตรุูมันขม่าตัววายโยหลวงพอได้โยวีซ่าซองโบกทองเลขเลขวะซองประไนแห้งกิหายวะแฮงเห็นบนกิบายวะซองได้โยวีซ่าวะวีซ่าทองโบกทองเลกวะซองปรใแห้งแทงบนจิบายวะคือซอเบื้งโลก ซองมึงทอนใ้แหงเป็นตะเบือนายโลกภายในก็คือกันเนะ่สกปรกากานี่คือกันโลกภายนอกคือบุคคลอื่นสาติอื่นคือกันซองมึงทอนใหแหงเป็นตะเบือนายแห้งมีแต่กองทุกแฮงมีแต่ควบคัดขอ้อกินมือนี่มืออืดหิวม า, มาพราะกันคนสูบยาอบโยนในปากเฮ้ยจะกองทุกถนัดเป็นมวุ่นนี่นมวยชีดุด ช่องเบื game, oh, asan, muscle, ้องทลายเบิงคักทลายือนเป็นแทงสิติดด้วยอะไรเบื้งโลกเบิ้งคักทลายแหงเป็นต่เบือตะนายได้เยวนี่เขอกเขาสั่ว่าเบิ้องสักคนแลร่างกายเขาก็ข้กันเบิ้องลมหายใจเขาออกก็คือกันเบิองความบอบบาเทียงกันเดียวกันเบื้องธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาขึ้อกันมีแต่น่าพูเน่าแตกแนวาสลายเป็นมื่อวัติยูในกำมือของผู้ใดอันชิงที่เกิดขึ้นมาแล้วแปรปวนแล้แตกสลายเนี่ยบอกวัติยูในกำมือของผู้ใด đấy เขาเกิดขึ้นมาอย่างพึงพ่ายเขาแปรปวนอย่างพึงพ่ายเขาแตกสลายอย่างพึงพ่ายเลยสิ่งที่มีวียญาณโมีเวียญาณก็ดีในมูอเขานี่คันสมาธิเพราเขาไปชิงนิ่งกระเที่ว่าเอามันโมแวีนได้เขาวบอกมันสามารถที่หัวต่อกระเทีวบอกันสัตวกบอึ้งมันอยู่ในขันหนึ่งจะปิกายนี่มันออกมากอะโมเห็นมาได้อรหันตอาหันต์นี่อย่างนี้บอกสัตว์มูอเหลือมมันี่เขาไปใน สูงหันสามเดือนผมจะมากินอาหารเช้าหนึง่งแต่ว่าสิปฏิเสธสมาธิกับอะไรต้องพักคือเอาเห็นงานนี่แล้วเขาเห็นงานเนี่ยเขาบอกพักเที่ยงแนมันก็บอกมีกำลังเหมือนเมื่อยผู้เขากำลังแห้งเขาบอกพักสักเดยถอดคำผุดคื่อลดเอาเอาอกจากร่งกุดดังไปแล้ว แรนหลเ่เผดเครื่องห่อนพักสก้อนปลว่าคันที่พักโดนมังลูหันก็มันติถึงหมอนท่างนะบอกเขาสักผลยังเทียบใช่นหมแต่เเผาขี้เหงื่อคามทะเลคันร่มคืนมามันจัดหลายนะให้ถอดสมอซะเหงื้อที่ไปพิษทาวะะ่าจะคันเศร้าคืนแล้วหาดไป สมมติเมื่อได้จอดอย่หันเขาไทยเขาถงอีกสมมติ อ, อีกลักอ่นสมมติท่งนงงฟังเลยเลยธรรมดาน้ายสะเภาขาบทะเลแต่กรเจโปรานเพื่อเรื่องกาเพราะกาเป็นผู้จำทีดด่ดีเรื่องกาไว้ขั้นขามมหาสมุทรทะเล กาบินไปทั้งไหนนะหายแนบกาคามันเห็นฟังแหละมันบมันบมาาหรอกกาเลยก็เรียกพันธ์ไก่ฟังเลามันบมเห็นฟังแหละมันก็กลับขึ้นมาจับเสากระโดงของเขาเพรนี่ยเสากระโดงเมื่อฉะนั้นคือกาเลี้ยวาวไว้ก่อนภูพีเจ้าหน้าเนียวอภินิพานมาได้ทฤษฎีอภินิพานมาเป็นอารมณ์อุปมาคือกาเพราะท่นเห็นฟัง มันเนียวบะไรถ้ห้ยไม่เอาพี่จะหน้าอนนีจังทุกครั้งอนณาจามาพี่จะห้าสังขารไปทุกแล้วเบื่อสังขารแล้วมันจะที่ใดพระนิพพานเดี่ยมันพันเบื่อสังขารนี่มันพันใดพระนิพพ า, า, า, า, านเพราะที่นีนนนนนเ่เพิ่อนละวันกรรมฐ า, านได้ในไตรโลกทานมันกรรมวมออนิี้จังทุกครั้งอาณตจารลยล เพมันเกิดขึ้นแล้วแปลป่วดในแหละสลายเีขันบมขี้เจ้าอันนี้หละมันมีคนทางสิบวันายข้าเมาในวันตาสรงสารพิจนาอาุพอุพังขันเห็นมันป่วยมันเน่าแล้วขีด็ดท่อนล่ายหากก็ยังมุ่หันเมรุฝ่าหลัหันเลยหาย เป็นแ่เพื่องบวยนาชาเข้าเฉอๆเห็นเจนว่ามันสัตว์ว่ามันบุลพ้นผลจ้คดีพนไปได้เข้าบาหากมันกับเพื่อยกันเอยอีแต่เข้าวันหักคุณั๋าบอกสัตวมีเหเวอนกับคืนพี่จะหน้าทำเป็นจริงแล้วว่าติดอยู่ ผู้ลูดีลูดชอบรูดละเอียดปนนัยพระพุพทธเจ้าของวัหัติดอยู่เมือ่อติดอยู่ปนนัยจักบ่อนอดีตกระซ่งขึ้นให้อดีตนาคตกระซ่งขึ้นให้อนาคตปัจจุบันกระซ่งขึ้นให้ปัจจุบันสุข ก, กระซ่งขึ้นให้สุขทุกกระซ่งขึ้นให้ทุกอุเบกขากระซ่งขึ้นให้อุเบกขาเดืยดอะ มันก็มีสานนิพพย่คขึ้นกันอันนี้ถีำสันนละเอียดเนี่ยสันมณฑิคามวตาสงสารหล่ะเนี่ยทําซุ่มเป็นนิสัยเนี่ยพข้าไปนิสัยไปเนี่ยมวนพ้ตายฆ่าล้มเผาล้มออกแต่ห่าว่างอุปทานวัฒน์ไหลตายข่าอมรฐานแจ่ว่างอุปทานวัฒน์ไหลเมื่อก็ไปเกิดพพมาโลกเหมือนอายุไขก็ลงมากขึ้กันนะเพรามันยังพันเรียนพันยพาเนี่ยมันยังติดอยู่ในซ่านเนี่ย ติดอยู่ในอุเบกขาเงีดีในอุเบกขายินดีนะปีเตี้ยสิมันมันบนพุนได้เหรอพุ่นแล้ว่ะจ่ายค่าหันก็ไปเกิดพุ่นละอสัญญีสัตพุนอยสัสัตตานั่งเทวนั่งสัตขังคุตตวาเวหภพราอวิหาพุนแล้วพมุเปสชาพมโวโลหิตามหาพมาปิตตาภาปมานาภาอาปสราปิตัสภาปมานาสุภาสุภกินนาการพุ่นแล้วไปเกิดพุ่นล้ว่าท่นพรับ ้นพโรคพ้นังสารพอพนวัติตยูในอยู่ในเหลือนในนางในนอนในหนึ่งในคิดในอย่างนด้ยาเสพติดไม่มีในเพลินขันมีอุปทานเนี่ยเป็นยาเสพติดมัดเราเป็นเสพติดทั้งเรานึกก็เป็นเสพติดทั้งนึกคิดก็เป็นเสพติดทั้งคิดจินยูผู้ว่ายเสพติดมนมีอุปทานอยู่ผู้สิว่างยาเสพติดใดโดยสิ้นเชิงคือพระหันจำพวกเดียวบัติตินึกในคิดวัตถิติยูในบอกวัตถิดอยูในฟัง ไม่ได้ติดอยู่ในดื nah needed needed ่นไม่ได้ติดอยู่ในดืนไ่ได้ติดอยู่ในนังไ่ได้ติดอยู่ในนอนคือมีดปาดน้ำฟันนิ้วมัดมือมันก็ไ่มีแผคือนกบินได้อากาศบินนิ้วมดมือมันก็บม่มีห้อยเห็นแต่โตมั้งหอคงยงคงโง้ห้อยมันพลตกไปท้ายทรวทัศน์เอาอะไรพลาสิกทายทีวีเอาอะไรห้อยมันมีดปาดน้ำคือันาดทส่ท้ายเอาแพมันสี่ใหญ่กนางเป็นีสนเลยฮะทีทำวัคซนศาสรนะเลยหยัดเธอได้ เห็นควบตายรอบหนึ่งกัเห็นโรครอบหนึ่งว่าสงสัยโรคเต็มไปด้วยควบตายเตไปสงสัยยังเห็นคนแก่ขนาดชิ้นหนึ่งกัเห็นโลกรอบหนึ่งแหละโลกเ็ต็มไปด้วยควแก่เห็นเขาขาฟรั่นั่นแท่งกันนึงสิก็เห็นโรครอบนึงพอาะโรคเต็มไปด้วยเว้นโดยไพ่เห็นคนเ่าขนาดชิดนหนึ่งกเห็นโรอบนึงพอโรเต็มไปด้วยคนเถาควแก่คเก็บคนตายเต็มไปด้วยของโบราณวัตถุยั อาจจะไปเที่ยวห้องเหิรเดินอากาศอยู่บึงคูบอนนั่สนสมันก็บาไหว้แล้วพ่อหลวงเจ้าก็นั่งอยู่โฮมพ่อคนเดียวสิ้นควมสงสัยเจ้าของเยียบเล็บควมสงสัยเจ้าของขามทะเลหลวงเจ้าของตัวปัญญ า, าปฏิสุทธิ์สติบุกคลถือปฏิสุทธิ์ก็บพ่ะปัญญาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาบม่มีปัญญาโลกก็จะมีปัจโชโันตัวแสงพระอาทิตย์มันกระซองไรแต่บนซองทำ ม, มันมืดซองมาถึงเด้ เนี่้าองทะลอะทพกเขาพุ่นข้หาหนังยงสิเห็นอันนี้จังซักับทะลุพวกเขาเหื อ, อนนเนี่ยเพราะพวกเขาสแตกสีสลายได้สี ท, ทนให่บ่หลูกระเบิดเขามาว่างใส่บงลูกเห็นควมมันโ ม, น เ, มเทียงกัซอกทะละุทะุบัตหน้าไตโลกราพราะตโลกราเนี่นน ย, ตยเต็มไปด้วยขวมมันโ ม, น เ, มเทียงนี่นเห็นทุกคณะชิ้นห น, นึ่งกซอทะลุวัตหนา ใ, ใจไตโลกระถา น, นับแต่พุมมะโรลงมายกพันิพาณซะ พันธุพี่จะนายสันหนทางเบือนายมากับบมีแล้วมูเฮ่อป่านวิ่ ง, งวันเหนวี่ยงเนี่แหงวนันไปทะเลแหงพันมือตีนมือแหงพันแหงหยุ่งมือแหละไผ่กัแมงกัมมัานหมดเลยไนไตลูกกระทาโยมก็ยังเป็นก ร, รมมธานอยู่พุ่แก่เก็บตายมีก็เรียก ว, ว่าก ร, รมมธานพุ่แก่เก็บตายก็เป็นก ร, รมมธานแต่ละอย่างเลยฮัน ผมขนเรีบฟันก็เป็นกรรมฐานแต่ละย่างละย่างนี่ในใจโลกธาตุนี่ไฝสีวะแมนกรรมฐานเดียคนกรรมฐานมดนี่แหละแต่ว่าสิปฏิบัติเอาหรือว่าปฏิบัติท่านน่ะโยมก็มีกรรมฐานนกหนูปูปีกก็มีกรรมฐานมันก็มีแก้เก็บตายคือกันเด่มันก็มีพบขนเล็บฟันคือกันเด่เล็บเพราะมันยุ่งหนาห่ออะไรตัวซุมันใส่แตงแตงต่างฟันอใส่แทนฟัน มันมีเกิดแก่เก็บตายไปในใจโลกกทามันก็เป็นกรรมฐานท่านั้นแหละแต่ว่าสิ ป, ปฏิบัติเอาหรือสิบปฏิบัติเอาสิพี่จานา ห, หรือพจาหน้ามันก็เป็นเรื่องอันหนึงต่างหครับ เ, เรื่องของพญายิตตลากต่างหาเรื่องของขอวัดของใครของบ้านต่างหากกับเผสิบวเป็นกรรมฐานในโลกกันคือคนจะกุนกรรมฐานมันปกครองยากกว่าสิยุกมันสะดอกกว่า โตปีตีขึ้นปงนดก็ลาดขึ้นขยุบาากรรมฐานสีบวัจจไหนพระเทชพระคุณเนาะสิบวบอกกรรมฐ า, านหา้ามจังคะ่ะบุตรเหตุสาลุมาท่านตรัส้โจบวาบอกพระไตพิกสิบวบอกขยุบขยุญญกรรมฐานนะพราทันบอกให้มันอยูปป่ปลาพจ น, นบอกหยอกก็เืออกพนบอกฮักก็เหมาะตัว ม, มันอยูปป่ปลา มันประทศตะขอบตะแคบห้เป like? ็น <descript> ท <or> like? ี่ซ่อนโจนรเป็นวาอันจนเนี่มันวัได้อยู่นปาน้เมืองเลยพระเดชพระคุณนายว่าตมันอยู่ในหัวใจเขาหรือว่าอยู่ในกรุงเทพเพียงไรวะตัวระวังกันหัวเลยรอพุขธพุทธ์เห่าให้ตัเป็นบ้าให้เบื้องนี้ซื้อหรอกมันสิมันสิมันของพระองค์ชักอยู่เลยพุทธเหล่าให้ตัวเป็นบ้าให้เบืองนี้ซื้มันสิบอกไปยังไหนมันสิมีพวกหันไปยังไหนเพิ่งวางซี่สซื้อเรียน ้ก็งจับเพิ่นอยู่มันเพิ่นบงขุจักวันมันเพิ่นงูให้วันเถอะพิ่นสลาดก็ห้าแล้วเพิ่นทั้งหลอกให้ห้าแสดงให้เห็นเฉยๆเพิ่นหลอกหลอกบังมวยห้าวเฉยๆวันขันพ่อตีสกนมันก็บพ่เห็นได้มวยไม่ว่าเถว่าด้ถือว่าเพิ่นงูแล้วเดี๋ยวนี้บ่าจะถือเพิ่นงูก็ะตัวไดเพิ่นยอบังเฉยมันไปนัางรับหูรับตาอยสันมันสควบยังไดพนิวาสัน เปนลองมึงสือวันมันมันผุงขูขาวสันขาวหายมาเศ้าสิายูโดนพไาไยุพายุพันใดก็นไงโย่พอเศ้าแล้วผเรศพคนเสียอย่างวันนั้นเป็นตะ ย, ยูยูหอดมือตายวไนนเป็นตยอยูสามหน้าที่บบเขารยู ว, ว่าจะรู้ว่าจมก็ผมว่าอย่างนาได้หรสันเขาหรยจพัาษาเพื่อรอไปอีกครับ เพื่อการตลาดวิญยอกเลยวนพันงูเลยจำพัรษาเนี่ยพระพุทธเจ้าเขาบว่าเดยบรรยัสไว้เด้ขาน่อยว่าับรรยัิไว้ถึงแต่ว่าเพรหาจำพันษาเนี่ยกระทมผีในตุมในครบนี่ข้ามีบาดประตูปิดเปิดเขาออกวันไหนว่เป็นถ้ำเนี่ยบันไหว่าเป็นวัดจะไปจำพัน์ษาเลยพระพุทธเจ้าเขได้ว่าได้ว่าเขตพันธ์ษาเลยจะที่กาเอาห่ว หัว่งียบงีอยู่เพิ่นตัวตอบตอบถืกอละว่ามันเพิ่นเขียบตัวกับว่ามันตอบอวดดีตัวคงจับเพิ่นยุเพิ่นล่องเข้าลว่ามันไปนั่งรับรับต่ายยงไมันสิมีควบตัวคหมอบอย่างไหนเพิ่นล่องไปสร้างอะไรสิเมื่อวนเพิ่นบอกคงจักแล้วสิตอบไปยังไหนยังสิเพิ่นฉลาดเนื้อห่อแหละเพิ่นจังถามบางสั่น เพื่อนก็ว่เห็นถือผิดถือใช่ไหมนี่ยังหัวกะกะกะกะด้ว